เ, เกลียดอย่างไรไม่ใช่แค่ได้อย่างนั้นแต่มีสิบเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวคนสองคนเกลียดกันก็เหมือนถูกขังไว้ในห้องมืดเดียวกันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเท่ากันฝ่ายใดถอนความเกลียดได้ก่อนก็เหมือนหลุดจากห้องมืดได้ก่อนออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันได้ก่อนเวลาเกลียดใครแรง อยากเร่งให้ตายเร็วเถ้าไม่ใช่ออกปากแช่งแค่แอบคิดในใจรู้ไหมจัดเป็นบาปเป็นกรรมขนาดไหนแล้วความเกลียดมักทำให้เห็นอีกฝ่ายเลวเกินจริงและความอัดอั้นตันใจก็มักจี้ให้คิดอยู่ในใจทำนองว่าเมื่อไหร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษสักทีเมื่อไหร่บาปกรรมจะให้ผลสักทีเมื่อไหร่จะมีอันเป็นไปสักที ข้อเท็จจริงที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงก็คือถ้าเกลียดแล้วถอนความเกลียดไม่เป็นปล่อยให้เลยเถิดไปถึงการแอบคิดสาบแช่งอยู่ทุกวันก็เท่ากับก่อกรรมพุ่งใจตรงไปในทิศทางเดียวกับที่สาบแช่งเขาเป็นอาจินแล้วอาการทางใจของคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมักออกแนวอยากเอาคืนให้เลือดตกยางออกหรือถึงตาย แต่ไม่กล้าลงมือเองต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาของตนเป็นผู้จัดการให้ซึ่งอาจหมายถึงการยืมมือเทพพยาดาเร่งรัดวิบากกรรมหรือเรียกตัวพญามัจจุราชมาช่วยแบบลับๆแม้แอับคิดในใจก็เป็นมโนกรรมแต่ถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเต็มเหนียวก็โยงจิตผูกเวรได้เหนียวแน่น ความอยากแก้แค้นเอาคืนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่คุณเกลียดโดยไม่รู้ตัวเช่นถ้าเขาชอบด่าลับหลังแทงข้างหลังและคุณอยากให้เขาโดนด่าลับหลังบ้างโดนแทงข้างหลังบ้างเมื่อไม่เห็นว่าเขาโดนสักีคุณก็ต้องนึกอยากจัดการเองสักวันซึ่งเมื่อถึงวันนั้นคุณจะต่างอะไรจากคนที่คุณเกลียดละ่ะ ผูกใจเกลียดตาบแช่งใครก็คือเอาตัวเองเดินทางสายภัยเวรร่วมกับคนคนนั้นหรือกระทั่งกลายเป็นคนคนนั้นเส้ยเองด้วยประการฉนี้ผู้ถอนความเกลียดได้คือผู้ที่ออกจากความมืดอันน่าทรมานหลุดจากหลุมดำอันรอดได้ยาก ออกมาเป็นเสรีชนเบาตัวเบาใจถอนพิดร้ายอันเสียใจยอยู่ในปัจจุบันปิดเส้นทางหลักไปสู่อบายในอนาคตบำเพ็ญบุญใหม่ไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองรู้จักรักแท้ออกมาจากใจที่ไร้ความเกลียดชังแค่เห็นโทษของความเกลียดใจก็ถอนออกจากความเกลียดแล้ว แต่พระคนส่วนใหญ่เห็นเป็นความชอบธรรมที่จะเกลียดไม่เห็นโทษของความเกลียดจึงฝังใจเชื่อว่าความเกลียดถอนไม่ได้ข้อผิดพลาด ท, ที่ทำให้ความพยายามในการถอนความเกลียดล้มเหลวมีอยู่มากเจนท่องว่ามันยากท่องไว้จนเป็นการสะกดจิตตัวเองว่าทาไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะทำ นอกจากนั้นยังหวังอุบายง่ายเมื่อใช้ความพยายามนิดหน่อยในวันเดียวแล้วไม่เห็นผลก็จะหวนกลับไปท่องคาถาบทเดิมคือทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่ใครจะทําทิศทางที่ถูกต้องในการถอนความเกลียดคือเห็นภาพรวมให้ชัดว่าถ้าขาดความเต็มใจเกลียดความเกลียด ก็ไม่มีที่ยืนในใจคุณฉะนั้นถามตัวเองง่ายๆว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจที่จะเกลียดถ้าอย่างเต็มใจก็ไม่ต้องหาข้ออุบายวิธีใดๆเพราะที่ต้นทางคุณตัดสินใจเข้าถ้ำไม่ใช่ออกจากถ้ำอยู่แล้วนอกจากนั้นคุณควรเห็นให้ชัดณขณะแห่งความเกลียดว่า เป็นโรคทางใจเมื่อได้รู้ตัวว่าเกิดความเกลียดให้ท่องไว้ว่าเรากําลังป่วยเรากําลังป่วยเรากําลังป่วยลองท่องซ้ําๆไม่นานคุณจะเห็นเหมือนเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ระสกิดให้จิตฉุก ค, คิดจิตเห็นตัวเองมอมแมมแล้วที่สุดส่งผลให้จิตฉลาดขึ้นเหมือนอยู่ๆก็ตาสว่าง เห็นขึ้นมาเองว่าแกเลิกเต็มใจเกลียดความเกลียดก็หายไปไหนไม่รู้แล้วอยู่กับคนมองโลกในแง่ร้ายคุณต้องเอาโลกแง่ดีมานำเสนอให้ทันทันกันอีกครั้งที่เขามองแง่ร้ายมาก็ควรเป็นทุกครั้งที่คุณมองแง่ดีไป มองข้ามข้อเสียของคนอื่นได้คือข้ามผ่านอารมณ์เสียของตัวเองพ้นการเอาแต่มองแง่ร้ายของโลกทั้งวันทั้งคืนจัดเป็นโรคทางใจชนิดหนึ่งเหมือนขังตัวเองอยู่ในคุกมืดไม่ยอมเปิดหน้าต่างรับแสงสวยๆบ้างไม่มีทางลัดในการรักษาถ้าอยากช่วยก็ต้องทำใจช่วยในระยะยาวและต้องช่วยอย่างมีศิลปะ ด้วยอย่างมีความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดคือทุกคนมีโทสะคุณเองก็เช่นกันและโทสะก็คือพื้นฐานของการมองโลกในแง่ร้ายฉะนั้นการนำเสนอโลกแง่ดีต้องมีความนุ่มนวลเป็นตรงข้ามกับโทสะถ้าเขาเสียงแข็งมาคุณต้องเสียงอ่อนไปถ้าเขาเลือกคำร้อน คุณต้องเลือกคำเย็นถ้าเขาคิดแตกหักคุณต้องคิดประสานถ้าเขาพูดใส่สีตีไข่ให้เกลียดกันคุณต้องพูดตรงไปตรงมาให้รักกันถ้าเขาพร่ำพูดยืดยาวคุณต้องกระชับคำพูดให้สั้นถ้าเขาเพอ้อเจ้อเหลวไหลไร้จุดหมายคุณต้องคัดประเด็นสรุปให้จับใจ ถ้าในหัวเขาเต็มไปด้วยเสียงด่าในหัวคุณต้องเต็มไปด้วยเสียงชมเมื่อตั้งความเชื่อไว้ว่าทุกสิ่งมีอีกด้านให้เห็นและพยายามฝึกที่จะเห็นคุณจะเห็นเสมอกับทั้งคิดได้พูดให้คนฟังเห็นด้านนั้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆช่วยเขาแต่ละครั้งก็คือฝึกคุณไปในตัว ตอนแรกอาจเหมือนเตี้ยวอุ้มคอมเพราะมุมมองร้ายๆของเขาจะแพร่ามากระตุ้นอารมณ์ร้ายๆในคุณไปด้วยแต่ยิ่งฝึกนานไปใจคุณจะยิ่งชินกับการคิดเป็นตรงข้ามรู้เองว่าคููด้วยน้ำเสียงแบบใดมองเขาด้วยแววตาแบบไหนจะช่วยให้รู้สึกว่าไม่ได้ถกเถียงหรือทะเลาะกันแต่เป็นการนำเสนอที่ชวนให้เต็มใจสนอง มุมมองโลกแง่ดีสักร้อยสักพันขอเพียงมีหนึ่งเดียวที่ช่วยให้เขาคลิกจุดชนวนให้รู้จักหัดมองโลกในแง่ดีรู้สึกดีกับการมองด้านดีไม่รู้จะมองด้านร้ายให้รู้สึกร้ายไปทาไมครั้งต่อๆไปจะเริ่มง่ายขึ้นคุณจะสัมผัสใจที่ดีขึ้นได้จากเสียงที่อ่อนลงตลอดจนบรรยากาศความสว่างที่ต่างไป